สงลงโทษและระงับกรรมต่อมาสงได้ลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุช น, นะเพราะไม่ทำคืนอาบัตห้ามสมโภกกับสงภิกษุชนะนั้นถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทาคืนอาบัตภิกษุชนะนั้นได้ออกจากอาวาสนั้นไปสู่อาวาสอื่นพวกภิกษุในอาวาสอื่นนั้นไม่กราบไหว้ไม่ลุกรับไม่ประนมมือ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 สงจงระงับอุเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่พิกษุฉันนะ